จเจริญพรพวกเราทุกคนเมื่อกี้ได้ยินบอกว่าจอภาพไม่ติดบอกว่าก็ลดผัดษาไปช่องหนึ่งการลดผัดษาถ้ามันดีจริงนะเราก็ไม่มีตาไม่มีหูนี่เรามีตาเรามีหูจมูกมีลิ้นมีกายมีใจ ผัสสะมากระทบเราห้ามไม่ได้เลือกไม่ได้แต่ถ้ามันเป็นผัสสะที่เป็นกุศลนะยิ่งกระทบเยอะยิ่งดีเหราะงั้นจ่อภาพหายไปนะไม่ได้เห็นหลวงพ่อก็ขาดผัสสะที่เป็นกุศลไปช่องหนึ่งเดือนนี้เดือนกุมภาใช่ไหมกุมภาหลวงพ่อมานึกได้นั่งรถมา หลวงพ่อไปกราบหลวงปู่ดูลครั้งแรกเลยนะหกกุมภาปีสองพันรยี่สบห้าสามสิบปีพอดีเลยนึกถึงหลวงปู่แล้วเหมือนหลวงปู่มาอยู่ด้วยวันนี้เทศธรรมะของหลวงปู่ให้ฟังหลวงปู่ดูลนั้นเป็นครูบาอาจารย์ที่อัศจรรย์มากท่านสร้างบารมีมาทางจะเป็นพระปัจเจก พ, พุทธเจ้า งั้นบารมีมากกว่าคนที่มุ่งเป็นสาวกปกติแต่เพราะมุ่งไปทางพระประเจตนี่ท่านเลยมีข้อจำกัดในการเทศท่านสอนพูดภาษาไทยไม่ค่อยได้นะคำสอนของท่านจะสั้นๆประโยคหนึ่งสองประโยคให้ท่านมาขึ้นธรรมะเทศท่านไม่ทา ฉะนนเวลาเจอท่านนะท่านไม่ค่อยพูดเลยนานๆพูดคําเดียวพูดประโยคหนึ่งแต่สิ่งที่ท่านสอนนะอัศจรรย์มากคนไหนทําตามที่ท่านสอนก็จะเจริญอย่างรวดเร็วเลยคนไหนไม่เชื่อท่านที่ท่านสอนให้ท่านเวลาสอนเนี่ยท่านจะสอนเฉพาะตัวเนี่ยเราก็ไปกราบเราไปขอกัมมัฐานเนท่านไม่สอนท่านจะนั่งเงียบไปเลยชั่วโมง ครึ่งชั่วโมงชั่วโมงนึงพอท่านออกจากสมาธิท่านก็จะสอนให้ประโยคสองประโยคเท่านะั้นแต่ละคนไม่เหมือนกันง้นถ้าจะไปถามว่าหลวงปู่ดูลสอนอะไรนะไปถามลูกศิษย์ทีละคนนะตอบไม่เหมือนกันตรงที่ท่านสอนมาไม่เหมือนกันเนะไม่มีใครรวบรวมรวมาไว้ได้หมดด้วย ว่าท่านสอนใครยังไงบ้างที่ไปรวมเป็นหนังสือขึ้นมาในประวัติท่า น, นอะไรตอนอะไรนะ้ก็ไปให้ลูกศิษย์คนหนึ่งสองคนเนียเขียนเท่า น, นั้นเองนะั้นหลวงพ่อไปดูดูก็ไม่ใช่อย่างที่ท่านสอนเรานี่หลวงพ่อ ค, คลุกคลีอยู่กับลูกศิษย์ท่านเยอะรู้จักครูบาอาจารย์รุ่นรอง ร, อ ง, รองจากท่านนะลูกที่เป็นลูกศิษย์ท่านหลายองค์ รวมทั้งพระหนุ่มเนรน้อยอะไรนี่ที่อยู่กับท่านเวลาไปก็ไปคุยกันว่าหลวงปูสออ่สอนอะไรสอนอะไรสุดท้ายเลยพบอย่างหนึ่งว่าหลวงปู่เนี่ยสอนธรร ม, มนะครอบคลุมทั้งหมดเลยตั้งแต่ต้นจนจบแต่ท่านสอนแต่ละคนนะเท่าที่จะทําได้เงินไม่เหมือนกันหรอก ธรรมะท่านมีตั้งแต่เรื่องของสมาถากรรมฐานให้ทำสมถะนะไม่ใช่ไม่มีท่านสอนทาสมถะทานสอนตามจริตนิสัยอีกอนะย่างมีพระองค์ในชื่อหลวงพ่อคืนหลวงพ่อคืนนะ่ยยังไม่ได้บวชในเรียดเนี่ยหลวงปู่ดูลแล้วชอบขึ้นไปภาวนาอยู่หินมกเป้งกับหลวงปู่เทศมีคราวเนึ่ไปขอกรรมฐานหลวงปู่ดูลบอก ให้พิจารณาผมเส้นเดียวนี่หลวงพ่อคืนท่านได้ยินนะว่าเอก่อนที่จะท่านจะเข้าไปถามคนอื่นไปถามก่อนนะหลวงปู่ให้พิจารณาร่างกายทั้งร่างกายเลยของท่านเนี่ยให้ผมเส้นเดียวนะน้อยใจนะหลวงปู่สอนเราน้อ ย, น, อยน้อยนะคล้าย ห, หลวงปู่ลําเยียงให้กรรมฐ า, านเรานี้เดียวผมเส้นเดียวอะ่ะท่านไม่เอาเลยไม่ยอมทํา ไปอยู่หินมักเป้งมานะภาวนาจุดออกพรรษาหลายเดือนไม่ได้อะไรจิตก็ไม่สงบเนะียกลับมาอยู่บ้านตอนนั้นท่านยังไม่ได้บวชกลับมาอยู่บ้านก็ภาวนาต่อเอจิตก็ไม่รวมไม่สงบท่านนึกถึงคําของหลวงปู่ดุลได้นะท่านก็นึกถึงผมเส้นเดียวนะเอามือจับผมเส้นหนึ่งเส้นมานะผมนี้รูปร่างอย่างนี้นะมีสีอย่างนี้มีกลิ่นอย่างนี้มีอะไรนะพิจารณาผมอยู่เส้นเดียวนะจิตรวมเลยเป็นสมาธิเลย ได้สมถะกรรมฐานนะเสร็จแนละ้วท่านก็เดินปัญญาต่อบางคนหลวงปู่ก็สอนให้ดูกระดูกนะดูกระดูกพิจารณากระดูกอย่มีองค์ในชื่อหลวงพ่อ ง, งานนะพวกเราไม่รู้จักแนละ้วท่านแบบนี้คงไม่ค่อยอยู่แล้วลนะสิ้นไปเกือบหมดแนละ้วรุ่นที่ท่านหลวงปู่นะไม่ค่อยเหลือแนละ้วรุ่นเล็กเลยอย่างท่านอาจารย์สุจินเนะี่ยว่าป่าเข้าไปหกสิบแล้วะรุ่นหลวงพ่อเนี่ยรุ่นเล็กนะหกสิบเ น, นี่ยตัดนี้ ท่านดูกระดูกเวลาเดินจงกรมนะท่านเห็นกระดูกเดินจงกรมแลาดูกระดูกเดียวมันเหงาท่านเห็นมีกระดูกข้างหน้าอีกโครงหนึ่งข้างซ้ายข้างขวาข้างหลังรวมแล้วเป็นห้าโครงนะเดินจงกรมอยู่ด้วยกันเป็นเราเราก็ไม่รู้จะหนีไปไหนเนาะผีดักซ้ายกวาหน้าหลังแต่ท่านไม่หนีนะท่านจิตสงบนะจิตรวมเนี่ยสอนแต่ละคนไม่เหมือนกันบางคนท่านก็สอนให้พุโทโธพุโทโธไงจิตก็สงบ สมถกรรมฐานที่หลวงปู่ดุลสอนนั้นมันหลากหลายมากเลยท่านสอนตามจริตนิสัยอย่าบางคนไปเรียนะแลท่านสอนบอกว่าให้ประคองจิตให้นิ่งให้ว่างรักษาจิตอยู่ข้างในนะให้ว่างๆอยู่ข้างในเงียบๆอยู่สงบอยู่ภายในในโลกเศรษฐกิจนี้ก็เรียนได้แค่นี้แหละทั้งชีวิตเนาะพวกมันแต่รักษาจิตให้ว่างๆเขาบอกหลวงปู่ดุลสอนสอนไหมสอน การปกคองจิตให้นิ่งให้ว่างอยู่ภายในมันคือสมถกรรมฐานนะการที่ไปมองความว่างๆของจิตเนี่ยชื่อว่าอากาสานัญญาตนะเพ่งอรูปนั่นเองถ้าทําได้ก็เข้าอารูปถ้าเข้าอารูปชํานานนะตาตายไปก็ไปเป็นอรูปประมลตอนที่พระศีอริยะเมตไตรามาตรัดเป็นพุทธเจ้าถ้าท่านนึกถึงนะท่านจะอุทานว่า พลาดจากคุณอันใหญ่พลาดจากคนณไม่มีตาไม่มีหูไม่มีจมูกไม่มีลิ้นไม่มีกายที่จะกระทบอารมณ์ไม่มีโอกาสฟังธรรมะเพราะฉะนั้นตามไม่ได้เห็นรูปหลวงพ่อเนี่ยหายไปช่องหนึ่งนะถ้าหายครบห้าช่องแล้วก็คืออรูปปรปลมลพลาดจากคุณอันใหญ่เนี่ยท่านสอนไม่เหมือนกัน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 มันก็คือเพง่งกสิณิกไม่ได้สมถะถ้าน้อมจิตให้นิ่งให้ว่างอยู่ภายในก็เป็นสมถะตะได้ถึงอรูปิชานหลวงปู่ยังสอนมากกว่านั้นอีกคนไหนที่จิตก็มีสมาธิสงบพอสมควรแล้วท่านสอนต่ออีกท่านสอนให้มีจิตที่เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเคยยับขึ้นมาเพราะจิตที่เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานไม่ได้สงบอยู่เฉย แต่เป็นจิต ท, ที่ใช้เจริญปัญญาเป็นจิต ท, ที่ใช้เดินวิปัสสนาแล้วเวลาอยู่ในอริยมรรคอริยผลมันก็จะเป็นจิตชนิดนี้แหละคือจิต ท, ที่เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบกิกบานจิตชนิดนี้ทรงฌานชนิดที่เรียก ว, ว่าลักขณูปนิชฌานไม่ใช่อารมณูปนิชฌานแบบสมถะอารมณูปนิชฌานย่อเพ่งอยู่ในอารมณ์เดียวลักขณูปนิชฌานนี้จิตตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบกิกบาน แล้วก็จะเห็นความเป็นไตลรลักษณ์ของกายของใจได้ท่านสอนเด็กคนหนึ่งนะสอนเด็กตอนนี้ไม่เด็กแล้วตอนนี้เขายุมากแล้วตอนนั้นเป็นเด็กๆท่านสอนไม่ใช่หลวงพ่อนะหลวงพ่อเจอท่านหลวงพ่ออายุยี่สิบเก้าแล้วท่านสอนให้พุทโธแล้วก็รู้ทันจิต ท, ที่เป็นคนท่องพุทโธคือพุโทโธแล้วก็รู้ทันจิตนั่นเองพุโทโธพุทโธนะรู้ทันจิตจิตนี้ไปแล้วรู้ทันจิต น, น, นี้ไปแล้วรู้ทันนี่แหละ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 ทันทีที่สติเกิดจิตที่ฟุ้งซ่านจะดับโดยอัตโนมัตินะจะกลายเป็นจิตตั้งมั่นขึ้นมาะไม่ใช่สงบนะแต่ว่าตั้งมั่นจิตที่สงบนะั้นจิตเป็นหนึ่งอารมณ์เป็นหนึ่งองเห็นผมเส้นเดียวก็คือผมเส้นเดียวกระดู ก, กระดูอยู่แค่นั่นแหละหรือดูความว่างก็ว่างอยู่แค่นั้นมีอยู่อารมณ์เดียวแต่จิตที่ตั้งมั่นนะเรารู้ทันจิตที่ไหลไปคิดพุทโธไปหายใจไปจิตไหลไปคิดเรารู้ทันจิตจะตั้งมั่นขึ้นมา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 สอนเพื่อนได้ตื่นขึ้นมาสิบกว่าคนนะยังไม่ได้มักได้ผลอะไรหรอกแค่รู้สึกตัวตื่นหลุดออกจากโลกของความคิดได้นะำไปหาครูบาอาจารย์ครูบาอาจารย์ยังชมเลยว่าน่าทึ่งไปรวมกันมาได้เยอะขนาด น, นี้สิบคนท่านไปเยอะและ้เดี๋ยวนี้นะ่าไม่รู้กี่พันกี่หมืน่นที่ว่าตื่นขึ้นมาแล้ว่ยพวกเราในห้องนี้มงตื่นอยู่เกือบทั้งหมดแหละรู้สึกตัวได้เยอะแยะเลยเป็นเรื่องปกติเป็นเรื่องพื้นๆในยุคนี้ละนะ วาใสยครูบาอาจารย์วางรากฐานไว้หลวงพ่อก็มาบอกต่อให้เราพุโทโธไปเราหายใจไปจิตหนีไปคิดเรารู้ทันที่จิตก็ตื่นขึ้นมาหลวงู่ ด, ดูลก็สอนไว้นะชั้นสอนเด็กคนหนึ่งบริกรรมพุโทโธพุโทโธไปนะแล้วก็รู้ทันจิตที่เป็นคนท่องพุโทโธรู้ทันจิตไปสุดท้ายพุโทโธมันหายไปนะเหลือแต่จิตตั้งมั่นเด่นดวงขึ้นมาไม่ต้องพุโทโธแล้วจิตตั้งอยู่โดยไม่หนีไปไหนละนะนี่บางคนเนะี่ะ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 จำได้เนี่ยมีข้อมูลเดิมอยู่เคยเห็นเสือพอ <c ans> เ, เห็นเสือปุ๊บรู้ว่ า, <c ans> วานี่เป็นเสือหมายรู้เนี่ยไม่เคยเห็นเสือเลยรู้จักแต่แมวพอไปเห็นเสือก็โอ้นี่แหละแมวตัวใหญ่หมายรู้ว่าเป็นพวกเดียวกับแมวนี่ใส่คงเหมือนกันตัวมันใหญ่ขนาด น, นี้นคงกินคนได้นะแมวมันกินหนูได้นี่เรียกว่าหมายรู้นะตัวนี้ก็เป็นตัวที่เกิดร่วมกัจิตเหมือนกันตัวจำได้ตัวหมายรู้เรียกว่าสัญญา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 ก็ถูกบีบคั้นเพื่อจ <riding> ะให้สลายตัวอยู่ตลอดเวลานี่เรียกว่าเห็นทุกขัง <verb> บางคนก็เห็นว่าจิตจะดีจิตจะชั่วจิตจะสุขจิตจะทุกข์นั้นเราสั่งไม่ได้มีเหตุมามีเหตุอย่างนี้มาจิตก็สุขมีเหตุอย่างนี้มาจิตก็ทุกข์มีเหตุอย่างนี้จิตก็ดีมีเหตุอย่างนี้คิตจิตก็ชั่วในการที่เห็นว่าสิ่งทั้งหลายเป็นไปตามเหตุไม่ใช่ตามที่เราสั่งมีเหตุก็เกิดโมทเหตุก็ดับบังคับไม่ได้นี่คือการเห็นอนัตตานะ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 ของหลวงปู่ดูเนี่ยแค่เห็นสัญญากับสังขารนี่ท่านก็ผ่านได้แล้วท่านก็เห็นท่านมาดูอยู่ไม่นานนะท่านก็เห็นแจ้งอริยสัจเห็นไหมท่านแจ้งอะไรแจ้งอริยสัจแปลกไหมดูจิตแล้วไปแจ้งอริยสัจนะก็จะรู้เลยว่าตัวจิตนั่นแหละมันตัวทุกข์นะแล้วก็ตัวรูปตัวนามเนี่ยตัวทุกขนะ์ตัวอยากมีตัณหาขึ้นมาจิตทยานอยากนะี่เป็นตัวสมุทย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 จะเห็นแต่ว่าจิตมันสุขบ้างทุกบ้างดีบ้างร้ายบ้างแต่มันไม่เที่ยงมันเกิดดับมันบังคับไม่ได้เห็นอย่างนี้ได้ธรรมมาเบื้องต้นแล้วได้พระโสดาบันได้นะนี่พอได้ธรรมมาขั้นต้นได้แล้วเนี่ยหลวงปู่ดุลสอนธรรมมาขั้นสุดท้ายให้อีกหลวงปู่ดุลไม่ใช่แค่สอนว่าจงทำยานเห็นจิตให้เหมือนดังตาเห็นรูปแล้วจบลงแค่นี้นะพันภาวนาไปจนถึงเต็มภูมิแล้วนะแต่ว่ามันยังเหลืออีกหน่อยเดียวเป็นภูมิของพานาคาบีนะแต่มันไม่จบหอก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 อ๋อผีใหญ่เหรอเป็นโฟมอนณาคาเนีเป็นผีใหญ่พวกนักปฏิบัติเราไปตายอยู่ตรงนี้หมดเลยเนี่ยท่านเปลยเปลย อ, อย่างนี้นะท่านก็ไม่สอนต่อนะเราก็ไม่ได้ถามอะไร น, ะนั่งคืนถามท่านก็ไม่พูดให้ฟังอยู่มาอีกเป็นปีเลยไปกราบท่านครั้งสุดท้ายนะปลายเดือนกันยาปีสอง26ท่านสิ้นปลายตุลา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 ปกติเวลาไปหาหลวงปู่ดุลเนี่ยกลับจะต้องแวะกลับหลวงพ่อพุธ ท, ท่านจะทราบว่าหลวงปู่สอนอะไรนะท่านอธิบายเพิ่มให้คราวนี้ก็ท่านก็ถามนักปฏิบัติคราวนี้หลวงปู่สอนอะไรล่ะบองหลวงปู่สอนบอกว่าพบผู้รู้ให้ทำลายผู้รู้พวบจิตให้ทำลายจิตจึงจะถึงความบริสุทธิ์อย่างแท้จริง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 แลท่านก็ขยายความให้ฟังนะคือตราบใดคําว่าทําลายผู้รู้ทําลายจิตเนี่ยไม่ใช่ไปทําลายตัวมันนะแต่ว่าหมายถึงว่าไม่ยึดมั่นในตัวจิตไม่ยึดมั่นในตัวผู้รู้แล้ท่านก็บอกว่าเมื่ออาทิตย์ก่อนก่ อ, อนหน้าที่หลวงพ่อจะไปกลับลงพุณหนึ่งอาทิตย์ท่านก็ขึ้นไปเยี่ยมหลวงปู่มาหลวงปุ่ดุลก็บอกท่านสอนท่านบอกว่าเจ้าคุณการปฏิบัติจะยากอะไร พบผู้รู้ให้ทำลายผู้รู้พบจิตให้ทำลายจิตจึงจะตึงความบริสุทธิ์อย่างแท้จริงงั้นธรรมะอันนี้ท่านสอนไว้2คนนะสอนหลวงพ่อพุดก่อนนะอาทิตย์หนึ่งแล้วมาสอนหลวงพ่อครั้งที่2แล้วไม่ได้สอนใครแล้วไม่มีใครได้ยินเท่าไหร่แล้วไปเล่าให้หลวงพ่อพูดฟังแล้วท่านบอกเลยอันนี้อะไรคือจุดสุดท้ายเลยจุดสุดยอดของกรรมฐานนะนะตัวนี้เป็นตัวที่จะต้องใช้แล้วท่านก็ต่อนะหลวงพ่อพุดท่านก็บอกต่อ คุณกับอาตามามาทำกติกากันท่านใช้คำว่าทำกติกากันนะคล้ายๆมาเซ็นสัญญากันใครทำลายผู้รู้ได้ก่อนให้มาบอกกันนะเราทำลายไม่ได้หรอกอยู่มาจนปีเท่าไหรอ่อใกล้ๆท่านจะมรณภาพนะนะอีกไม่กี่เดือนหลวงพ่อพุธจะมรณภาพนะหลวงพ่อไปเจอท่านท่านประเทศที่องค์การโทรศัพท์ ก็เข้าไปกราบท่านตอนนั้นหลวงพ่อมาทํางานองค์การโทรศัพท์ไปฟังท่านเทศเสร็จเข้าไปกราบท่านบอกหลวงพ่อผมไม่ได้พบหลวงพ่อนานแล้วไม่พบท่านร่วมสิบปีพ่อหาตัวท่านไม่เจอไปที่วัดไม่เคยเจอเลยท่านหนีตลอดเลยท่านเป็นมะเร็งตาวหลังท่านหนีท่านบอกว่าหลวงพ่อจําได้นักปฏิบัติมีไม่มากหรอกกราบเรียนท่านอีกหลวงพ่อครับผมยังทําลายผู้รู้ไม่ได้เลย ท่านพูดขึ้นมานะห้าวหาญมากเลยนะจิตท่านสบายสบายนะท่านบอกว่าจิตผู้รู้เหมือนฟองไข่เมื่อลูกไก่เติบโตเต็มที่มันจะเจาะทําลายเปลือกออกมาเองพูดประโยคนี้เลยนะจําได้เวิร์ดดิ้งเวิดใบเวิดเลยจิตผู้รู้เหมือนฟองไข่รู้จักฟองไข่ไหมภาษาโบราณเหมือนไข่ไก่เงี้ย น, นะเหมือนฟองไข่จิต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 จะมีความอยากหรือไม่มีความอยาก จ, จิตนั่นแหละคือตัวทุกนี่แหละเรียกว่าเห็นทุกข์แจมแจ้งนะเห็นทุกข์เห็นทุกข์แจมแจ้งคือขันนั่นแหละคือตัวทุกไม่ใช่ว่าต้องอยากซะก่อนแล้วถึงจะขันเป็นทุกมีขันก็มีทุกแล้วนะถ้าแจ้งอย่างนี้ได้นะีว่าแจ้งอริยสัจนะเพราะทุกข์คืออะไรทุกข์ก็คือตัวขันนั่นแหละถ้าเห็นว่าขันเป็นทุกข์โดยเฉพาะเห็นจิตเป็นตัวทุกข์ได้นะจะไม่มีตัวอะไรเป็นตัวสุขอีกแล้วในโลกนี้ ก็จิตมันทุกข์ซะตัวเดียวตัวอื่นทุกหมดเลยนะพอเห็นแจ้งว่าจิตเป็นตัวทุกข์แล้วเนี่ยการสลัดคืนจิตให้โลกจะเกิดขึ้นปฏินิสักขะขการสลัดคืนจะเกิดขึ้นจะสลัดจิตทิ้งไปนะั้นบางท่านมีซาวเอฟเฟกด้วยตอนสลัดนะ้าผาแผ่นดินไหวโลกกระเทือนอย่างนี้มีสาวเอฟเฟกบางท่านก็ไม่รู้เรื่องเลยขาดพึ้งกระเด็นไปเลยนะไม่มีรอดลาย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 เกิดร่วมกับความรู้สึกสุขทุกข์ดีชั่วทั้งหลายเกิดร่วมกับตาหูจมูกลิ้นกายใจทั้งหลายก็จะเห็นเลจิตทุกชนิดเกิดระดับจิตทุกชนิดไม่เที่ยงก็ได้ธรรมมาขั้นต้ น, นดูไปเรื่อยๆนะจนเป็นพระนาคขาขั้นสุดท้ายเนี่ยจะมาแจ้งว่าตัวจิตนี้เป็นตัวทุกข์พอแจ้งว่าตัวจิตเป็นตัวทุกข์จะคืนจิตให้โลกนะพระอรหันต์เนี่ยท่านปล่อยวางจิตได้ปล่อยขันธ์อื่นเนี่ยปล่อยง่ายปล่อยจิตนี่ยากที่สุด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 นะเคลิมว่าจิตของเรานี่แหละเป็นพุทธเป้าเป็นมารต่างหาก <c oughs> จิตเรานั่นแหละตัวอาภีสังขารามารตัวปรุงนะเป็นเทวปุตตมารนนะเป็นตัวเทวบุตตมารตัวจริงเลยแล้วก็มีอาภีสังขารามารมีกิเลสมารเป็นเพื่อนนะงั้นอย่ามาอวดว่าจิตของเราเป็นพุทธะอยู่แล้วจิตเราไม่ได้เป็นพุทธะจิตเราเป็นมารมีแต่อวิชชาตัญหาอุปาทานมีกิเลสมีอาสวะมีอนุสัยอยู่เพียบเลย เพราะจิตของเราไม่ได้ดีอยู่แล้วนะจิตของเรากําลังเลวอยู่ต้องมาเจริญศีลสมาธิปัญญานะนี่บางคนไปอ่านจิตคือพุทธะนะจิตนะไม่มีการไปไม่มีการมาไม่มีอย่างโ น, น้นไม่มีอย่างนี้นะศีล ส, สมาธิปัญญาก็ไม่มีอะไนเนี่ยอันนั้นท่านพูดถึงจิต ท, ที่หลุดพ้นแล้วจิตของพระละหาันไม่ใช่จิตของเราอันนั้นเป็นผลของการปฏิบัตินะ งั้นอ่านจิตคือพุทธะแล้วบอกว่าปฏิบัติตามแนวของโลกงปู่ดูลนตามหนังสือจิตคือพุทธะอันนั้นไม่ใช่การปฏิบัติอันนั้นเป็นผลของการปฏิบัติต้องทําเหตุเหตุก็คือให้มียานเห็นจิตเหมือนตาเห็นรูปต้องทําเหตุนะแล้วผลมันตามมาเองไม่ใช่ทําผลต้องทําเหตุอย่างเรามีร่างกายเรามีลูกสักคนนะเราเห็นลูกเราตัวเล็กแล้วเราเชือกมาดึงหัวมัน ดึงขามันนะเอาขามันปลูกไว้กับเสาก็ลากหัวมันให้มันยาวเท่าผู้ใหญ่เนี่ยจะทําผลนะถ้าทําเหตุก็ก็หาข้าวให้มันกินให้มันออกกําลังเลี้ยงมันไปเดี๋ยวมันค่อยโตเป็นผู้ใหญ่เี่ยการปฏิบัติเหมือนกันต้องทําเหตุไม่ใช่ทําผลเงั้นเมาห์นะอ่านธรรมะมากไปแล้วเมาจะทําจิตคือพุท ธ, ธะจิตดีอยู่แล้วศีล ส, สมาธิปัญญาจะสําคัญอะไร นันจิตปลาละหันท่านหมดอะไรหมดหน้าที่หมดภาระแล้วเห็นไหมคําสอนของท่านมีหลายขั้นหลายตอนนะนัไม่ใช่เอาหัวเป็นท้ายเอาท้ายเป็นหัวอ้างว่าหลวงปู่ ด, ดุลสอนมาเข้าใจผิดอย่างร้ายแรงเลยคําสอนของท่านยังมีอีกชนิดหนึ่งเห็นไหมท่านเริ่มมาตั้งแต่สมถะนะคือฝึกให้ได้อารามโนปนิชฌานขั้นที่สองฝึกให้ได้จิตที่ตั้งมั่นเพื่อเตรียมไวเดินปัญญาเรียกว่ามีรักขณูปนิชฌาน ขั้นที่สา ม, มาเจริญวิปนะัสสนาเจริญปัญญาที่บอกไม่ให้มีญาณเห็นจิตเหมือนตาเห็นรูปดูการทํางานดูความเป็นไตรลักษณนะ์ขัน้ข น, สข น, สขนสุดท้ายขั้นที่4ไม่ใช่ขั้นสุดท้ายขั้นสุดท้ายของการปฏิบัตินะต้องปล่อยวางจิตให้ได้นะอย่าไปกังวลรักษาจิตเอาไว้เพราะนักปฏิบัติส่วนใหญ่ไปตายอยู่ตรงที่สงวลรักษาจิตนั่นแหละคิดว่าจิตเที่ยงจิตเที่ยงเป็นมิจฉาทิฏฐิตัวร้ายกาศเลยนะเสร็จแล้วท่านก็สอนถึงจิตที่หลุดพ้นแล้วนะ ยังมีคําสอนอีกชนิดหนึ่งของหลวงปู่ดูลเป็นคําสอนเฉพาะตัวอันนี้ท่านสอนเป็นคนๆเป็นคล้ายๆยาเฉพาะโรคนะเนีย่ยวพวกเราเคยได้ยินท่านอาจารย์สุจินไหมอาจายอาจารย์สุจินสุจินโนนะอาจารย์สุจินสุจินโนเป็นพระดีนะท่านเรียนจากหลวงปู่หลุยมาก่อนแล้วสามมากศรัทธาหลวงปู่ดูลไปบวชอยู่หลวงปู่ดูลมีอยู่ปีหนึ่งอ า, าพาธหนักตออ า, าพาธหนักเนี่ยท่านดูกายดูใจของท่านไปเรื่อยนะ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 พอไม่ตายท่านหายป่วยหายอาพาธนะแล้วท่านก็ไปหาหลวงปู่หลวงปู่สมอาพาธหนักนะแล้วก็มรอดมาได้เนะี่ยอยากถามหลวงปู่ว่าถ้าตอนเจ็บหนักนะตอนใกล้ตายเนี่ยเราควรจะวางจิตอย่างไรควรจะทำจิตอย่างไรหลวงปู่บอกว่าเออท่ า, ายังไม่จบนะตอนนั้นนะ่ะต้องทำแบบเรียกว่าตกกระไดพลอยโจรนะตกกระไดพลอยโจ น, นะโจนหมายความว่า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 ไม่เคยมีแต่จิตหลงเข้าไปในช่องว่าง น, นั่นจิตทําอรูปทําสมถะดังนั้นะท่านภาวนางท่านมาได้ขั้นหนึ่งแล้วนะก็หมายถึงท่านภาวนานได้ได้เก่งแล้วลนะ่ะท่านก็ทําได้อย่างเงี้ยดังนั้นเป็นคําสอนเฉพาะตัวเรียกว่าท่านเรียกว่าตกกระไดพล่อยโจนถ้าพูดศับทางวิชาการมันก็จะถ้าทําสําเร็จนะจะเป็นพระละหันชนิดชีวิ ต, ตะสมะสีสี คือตายในขณะที่บรรลุพระอรหันต์พอดีเลยพวกเราไม่ควรเสี่ยงอันนั้นหมายถึงว่าหมดโอกาสอื่นแล้วนึกออกไหมหมดโอกาสอื่นแล้วอยู่ๆฉันไม่พอนาหรอกเดี๋ยวฉันจะไปว่างตอนตายโถตายอย่างเขียดใช่ไหมคาสอนหลวงปู่นะเป็นขั้นเป็นตอนครอบคลุมประณีตลึกซึ้งแต่ไม่มีใคร ร, รวมไปได้หรอกนะ หลวงพ่อไปรวมมาอาศัยเราเป็นนักศึกษาเก่านะเจอใครเรียนจากหลวงปู่เราค่อยถามเลยหลวงปู่สอนอะไรสอนอะไหรหลวงพ่อก็เรียนปริยัติบ้างอะไรบ้างจำแนกได้ว่าคําสอนอย่างนี้มันขั้นไหนขั้นไหนไอ้ตรงยานเห็นจิตเหมือนตาเห็นรูปเลยหลวงพ่อมาดูจิตอยู่สี่เดือนนะมาดูอยู่สี่เดือนอย่างไปส่งกันบ้านหลวงปู่หลวงปู่บอกช่วยตัวเองได้ละที่ทําเนี่ยถูกแล้วทําถูกแล้ว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 ทำสมถะเนี่ยต้องมีปัญญานะแต่เป็นปัญญาขั้นสมถะแต่หลงไหมหลงก็มันสร้างพบสร้างชาติอยู่นั่นเด็กเก้าขวบนะเงั้นถ้าใครบอกดูจิตยากดูจิตยากนะหลังจะเรียกเด็กๆด็ประเทศให้ฟังหลวงพ่อมีลูกศิษย์รุ่นจิ๋วๆอยู่หลายคนแต่ยังสอนได้ไม่ดีเท่าที่ภาษาลีบุตรสอนลูกศิษย์ภาษารีบุตรนะมีเนนอยู่ในสังกัดเนี่ยหลายองเป็นพระอาหารหันต์ด้วย อายุเจ็ดขวบมีตั้งหลายองค์นะพวกเราเจ็ดสิบยังไม่เป็นเลยนั่นเนรเจ็ดขวบเป็นพระอรหันต์เนท่านน่ารักเนรท่านน่ารักมากแต่ละองค์แต่ละองค์มีอยู่คราวหนึ่งนะมีนางพรามณีอยากจะทำบุญบ้านก็สั่งสามีไปที่วัดไปนิมนต์พระมาเลือกพระแก่ๆนะจะได้ขลังอย่าไปนิมนต์พระเด็กๆมานะ ไปบอกเลยว่าขอนิมนพระเถระปรากฏไปนิมนพระวันนั้นนะพระไม่มีพระไม่พอไปที่อื่นหมดแล้วเหลือแต่เนนพระที่เป็นคนจัดคิวส่งเนนมาท่านถือว่าเนนเนี่ยเป็นพระเถระเถระหรือไม่เถระไม่ใช่อยู่ที่พรรษานะอยู่ที่คุณธรรมท่านถือว่าเนนนี้เป็นพระเถระงั้นตรงสเปกโยมแต่ไม่ตรงใจโ ย, ยมหรอก สามีนั่นก็พาเนนมาบ้านมาหลายองค์เลยมาถึงบ้านใหญ่ท่านอยู่ในครัวชงเชง้งชงเช้งคงทําอะไรอยู่ในครัวนะเห็นได้เวลาแล้วพุชงโงกมาเฮ้ยเนนทั้งนั้นเลยนะสามีเรียกเนนขึ้นนั่งเรียงแถวอย่างเนี้เอาบาตมาตั้ ง, ตงเตรียมจะฉันนะ่นะเดี๋ยวยกจากครัวก็ฉันได้และวนนันนี้มลไปฉันเนี่ยไม่ได้นน่มโดยส่วนเนี่ยส ม, มัยก่อนนิมลไปฉันก็คือฉันนะ ฉันเสร็จแล้วถึงจะเทศอะไรให้ฟังนิดนิดหน่อยๆเช่นยะถาวาริวาหา น, น้ำหยดทีระหยดนะก็ยังเต็มตุ่มฐานที่ ท, ทําจีระน้อยก็เต็มเหมือนกันเทศนะไม่ใช่ให้พอห่อนหรอกตอนนี้ว่าพระให้ผ่อคามจริงพระเทศให้ฟังเราแปลไม่ออกก็เลยมีอายุวันโนสุขังพลังเอออายุวนันหนังสุขังพลโะคงอยาให้พอ่อเปล่า ท่านบอกว่าตอนท้ายอนะการที่เคารพนอบน้อมต่อผู้ใหญ่จะส่งผลให้มีอายุวันนะสุขขปะละเนี่ยเห็นเรื่องเทศเทศนั้นเลยยายพราหมณีปลัวมาเห็นเนนเะฮ้ย ไ, ไปเอาเนนมาทำไมไปไปไปให้หมดไอ้เนนพวกเนี้ยไม่ให้กินหรอกเสียของจะให้นิมนต์ผู้ใหญ่เนนท่านก็ดีนะเขาไล่ก็ลุกเลยนะเขาไม่ให้กินแบบไปหาที่อื่นก็ได้ว่ะ แล้วลุกออกมาเป็นแถวเลยนะไอ้ชาวบ้านที่ไปร่วมงานเฮ้ยทาอย่างนี้ได้ยังไงไม่ถูกเนี่ยด่าอิตาผัวนะแต่ผัวอ้าเน้นเน้นเชิญเน้ น, เนขึ้นไปนั่งต่อ <c oughs> <c oughs> เนี่ยถูกเขาไลา่ขึ้นไล่ลงอยู่หลายรอบนะจนในที่สุดประชามติเขาจะด่าอีหนางคนนี้แนละ้วนะอา้าอยากกินก็กินไปวันนี้ไม่ได้บุญแล้วนะเน้นฉันเสร็จนะ บางองค์ก็เหาะขึ้นไปบางองค์ก็ดำดินไปบางงงค์ก็หายตัวกลับวัดนะยายพามณีนี่ปลื้มมากเลยโอ้โหเนี่เก่งจริงๆเนะเทศเรื่องอะไรเนะี่ยทำไมมันออกมาเรื่องเน้นจะบอกว่าดูจิตไม่ยากหรอกเด็กๆมันยังดูเป็นเลยนะแก่จนหัวเริ่มหงอกย้อมผมแล้วบางคนกนะ็จะว่าดูยากอะไรนักหนา จิตมีความสุขรู้ไหมจิตมีความทุกรู้ไหมก็รู้ทุกคนเหรอจิตมีราคะมีความโลภรู้ไหมมีความโกรธรู้ไหมรู้ได้ทุกคนนะแต่ละเลยที่จะรู้มัแค่ลาเลยเท่านั้นแหละนะเวลาเห็นสาวสวยใจมันรักขึ้นมามีราคะขึ้นมามัวแต่ดูสาวไม่ดูจิตที่กำลังมีราคะก็แค่นั้นเองถ้าย้อนมาดูจิตที่มีราคะราคะก็ก็เด็นตกเวทีไปเท่านั้นเอง จิตก็เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานพอเห็นสภาวะทั้งหลายผ่านมาผ่านไปผ่านมาผ่านไปซ้ําแล้วซ้ําอีกนะสุดท้ายจิตมันปิ๊งขึ้นมาสิ่งใดเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นทั้งมวลนั่นแหละดับเป็นธรรมดานะถ้าเข้าใจตรงนี้ก็เป็นพระโสดาบันะนะ่ะใจของเรายังไม่เห็นตรงนี้นะใจเราเห็นว่าในตัวเราเนี่มีสิ่งบางสิ่งเที่ยงอยู่เดจยพัทเราเห็นว่าจิตของเราเนี่แหละเที่ยงรู้สึกไหมในนี้มีเราอยู่คนนึง เราคนนี้ตอนเด็กๆเราคนนี้เดี <d <d ๋ยวนี้เรารู้สึกว่าเป็นคนเก่านะร่างกายไม่เหมือนเดิมแต่ใจเราเนี่ยเหมือนเดิมเราเป็นคนเดิมเราคิดอย่างนี้ตลอดนี่แหละเรียกว่าเรายังมีมิจฉาทิฏฐิมีสักกายทิฏฐิแต่ถ้าเราเห็นเลยว่าจิตทั้งหลายเกิดแล้วดับจิตไม่ได้เที่ยงเป็นตัวเรานี่รันดอนอยู่อย่างนี้หรอกจิตดีเกิดแล้วดับจิตร้ายเกิดแล้วดับจิตสุขจิตทุกข์เกิดแล้วดับจิตที่ไปทางตาเกิดแล้วดับไปทางหูเกิดแล้วดับไปทางใจเกิดแล้วดับ พอเห็นจิตเกิดดับมากเข้ามากเข้าสุดท้ายมันปิ้งขึ้นมาไหนทุกสิ่งทุกอย่างเกิดแล้วดับโดยเฉพาจิตนั่นแหละไม่มีความเป็นตัวเป็นตนถาวรตรงไหนไม่มีอมตอะเลยได้อย่างนี้ก็คือได้พะโสดาบันัดจากนั้นก็ดูเหมือนเดิมนี้แหละจงทํายานเห็นจิตให้เหมือนทางตางเห็นรูปบางท่านท่านเชื่อนะว่าขั้นโสดาเนี่ยต้องดูกายสัคตาคาอนาคาต้องดูกายไม่จริงหรอกนะอันนั้นขัดกับที่พระพุทธเจ้าสอนนะ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 ทานพูดถึงกระทั่งลีลาการเข้าป น, น, นิพานแต่หลวงพ่อไม่เทศให้พวกเราฟังฮนะเดี๋ยวพวกเราไปคิดเอาคิดเอาเองไม่ได้กินหรอกกิเลสเอาไปกินหมดเลยโยมน้ำมัตรกรรมหลวงพ่อคครับ่ะมาจากปัตตานีาค่ะหัวหมักไรเจอหลวงพ่อตวดไหมเ <laughs> มื่อก่อนหลวงพ่อยังไปกราบท่าน <laughs> <laughs> เดี๋ยวนี้ไม่ได้ไปล้วก็ <laughs> อยากจะถามหลวงพ่อว่าตอนนี้โยมปฏิบัติได้ไปถึงไหนแล้วอะค่ะให้มันจะไปไหน <c oughs> เราปฏิบัติต้องอยู่กับปัจจุบันนะอย่า <c oughs> ใ, ให้มันไปไหนแล้วก็ตอนนี้จิตเป็นยังไงบ้างอะค่ะจิตดีจิตร้ายจิตสุขจิตทุกข์ดูไม่เป็ี่นหรือ <c oughs> ดูก็ดูได้นี่ใช่ไหม <c oughs> จิตมีความสุขเราก็รู้จิตมีความทุกข์เราก็รู้อย่าไปบังคับมันก็แล้วกันชอบบังคับหรือเปล่า <c oughs> ไม่ชอบอะค่ะโอไม่ชอบบังคับก็อย่าไปบังคับมันนะ ดูไปเรื่อยจิตมันดีเราก็รู้จิตมันโลภมันโกรธมันหลงเราก็รู้เรื่อยไปดูมันเหมือนเราเห็นคนอื่นรู้สึกไหมร่างกายกับจิตเป็นคนละอันกันดูออกไหมเออแยกได้แล้วก็เก่งละถ้าแยกได้นะมันก็เดินปัญญาต่อได้ถ้าเห็นร่างกายอยู่ส่วนนึ่งใจเป็นคนตูแยกกันต่อไปร่างกายมันแก่ไม่ใช่เราแก่นะร่างกายมันแก่ร่างกายมันเจ็บร่างกายมันตายเราไม่เกี่ยวเลย ใจเราอยู่ต่างหางนะใจเราเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานสบายฝึกไปนะยังไม่ถึงขั้นทำลายผู้รู้เอาให้มีผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานไว้นะมาไกลนะมาจากปัตตนีนมัสการค่ะหลวงพ่อคือเมื่อเออดือนที่แล้วมามาฟังที่นี่นค่ะแล้วก็คือปกติหนูก็ฟังซีดีอยู่ที่บ้านหรืออะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ พอเดือนที่แล้วที่มาเนี่ยตอนที่ท่านเทศเรื่องว่ามีมีคนนึงมาส่งกันบ้านแล้วบอกว่าเห็นโลกนี้มันเหมือนแบบมันมันไม่ใช่ของจริงมันมันมันคือตอนนั้นนะคะที่ที่เห็นขึ้นมาคือเหมือนกับว่าอยู่อยู่ก็คือเห็นเห็นคนรอบๆอบข้างเห็นคือเหมือนกับตัวเรามันถอยออกมาค่ะแล้วก็เห็นเหมือนกับว่าคนรอบๆ บ, บข้างนี่เหมือน เหมือนเป็นก้อนอะไรที่มีมแบบว่าบอกว่าเออก้อนๆแบบเนี้ย<ม>คือคน<ม>แล้วก็โลกนี่มันเหมือนอยู่ในหนังมันไม่ใช่หนังที่แบบถ่ายคนแ้ว ม, มันเหมือนหนังกระตูนนะคะ<ม>ที่เหมือนกับว่าโอเคฉากประมาณนี้แหละคือคือโลกแล้วก็มีคนอยู่ประมาณนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วนึกได้ไหมโลกเหมือนความฝันค่ะ <c oughs> มั น, ม, น <m eme> มันเหมือนอิมเมชั่นใช่ใช่ค่ะใช่ใยเหมืนส่ย่ำแดดเหมือนความฝันเหมือนภาพหลวงตาค่ะพอเห็นแบบพระพุทธเจ้าบอกไว้อย่างเงี้ยเลย พอเห็นแบบนั้นแล้วกลับมาดูแล้วรู้สึกว่าใจมันสถานสถานแล้วก็มันพยายามดึงว่าแบบไม่ได้นะแยกแยกแบบนี้ไม่ได้ต้องแนบกลับไปสิบมันพยายามที่จะแนบกลับไปไเล<อ>ยไม่ลงค่ะแล้วก็ตอนนั้นก็แอ บ, บคิดว่าเอ๊ะคือคือก็ใครควรใหญ่เลยว่าเอ๊ะหรือว่าเราคิดหรือว่าเราเราเป็นพราว่าฟังแล้วก็คือตื่นคือฟังแล้วก็ตีความไปจากความคิดหรือหรือเห็นจริงๆรจริงเลยแบบนี้ค่นะ แต่ต่อไปจะเห็นหรือจะไม่เห็นก็อย่าไปว่ามันอย่าจงใจให้เห็นตลอดเวลาถ้าจงใจให้เห็นจะผิดนะค่ะให้เขาเห็นเองหรือใช้ได้ทําถูกแล้วละ่ะอ๋อค่ะขอบพรนะคุณค่ะแต่ต้องมีความสงบเป็นพื้นมากกว่านี้หน่อยนึงฟุ <c oughs> ้งไปตืป่นเต้นมากค่ะ <c oughs> ขอบพระคุณ ค, ครับครับกับมาพารหลวมพ่อครับก็ามาครั้งนี้เป็นครั้งแรกก็มีประเด็นที่จะเรียนถามสองประเด็นก็คือ สำหรับผมผมจะเรียกว่ามันเป็นอารมณ์เบื่อหน่ายกับอารมณ์ที่เพลิดเพลิ น, นะฮะประเด็นแรกการเบื่อหน่ายก็คืออย่างเช่นตอนนี้ก็อยู่ในวัยเรียนศึกษาอยู่ปีหนึ่งธันวาล้วก็แบบบางทีเราได้เรียนอะไรที่ไม่ชอบหรือว่าตื่นขึ้นมามันต้องไปเรียนต่อมันต้องแบบทำอย่างนู้นอย่างนี้แล้วบางทีมันก็เกิดความอารมณ์ว่าเราเบื่อหน่ายแล้วแบบคล้ายๆมันเหมือนกับประมาณว่ามีมิจฉาทิฏฐิที่ว่าเไปปทําอว่า<ม>เอาให้มันลุกอะไรประมาณนี้คือไม่เรียนได้ไหมหรืออะไร ครับมันมันตรงนั้นมันเป็นมิสาทิฏฐิใช่ไหมฮะแล้วก็ก็คือแบบมันก็จะเกิดอารมณ์เบื่อหน่ายแบบนี้เป็นช่วงแล้วทีนี้เบื่อเตัวนี้ไม่ใช่นิพพิธานะเบื่อตัวนี้เป็นโทสะโทสะใช่ไหมครับเพราะเราอยากจะทิ้งอันนี้จะไปเอาอีกอันหนึ่งเนี่ยอย่างนี้เป็นโทสะถ้านิพพิธานะจะเห็นทุกอย่างเนี่ยเสมอกันนะมันน่าเบื่อเหมือนกันหมดเลยอือันนี้ไม่ได้เป็นอย่างนั้นครับแล้วก็ก็เลยแบบพยายามหาวิธีที่แบบเอานามยอกนามบอกก็แล้เอาอะไรที่เป็นกิเลสมาแล้วเอาแบบ เอออีกหน่อยมองอนาคตแบบนี้มันเป็นวิธีตามรู้หรือว่าอะไรที่มันถูกต้องไหมครับคือแบบเอาอนาคตมาวางว่าเดี๋ยวถ้าทําอย่างนี้คือเราต้องต้องไปให้ถึงนั้นต้องดูแลพ่อแม่ให้ได้แบบนี้มันเป็นเออน่นเป็นเรื่องการอยู่กับโลกนะการอยู่กับโลกครับการอยู่กับโลกต้องวางเป้าหมายกําหนดเป้าหมายไว้ครับแล้วไม่ได้กําหนดอย่างเดียวต้องมีวิธีการที่จะไปสู่เป้าหมายด้วยต้องตั้งใจทําให้ได้ด้วยแล้วนั่นถึงจะประสบความสําเร็จในชีวิตทางโลก ส่วนการปฏิบัติเนี่ยเราจะเรียนรู้ความจริงของกายของใจอยู่กับปัจจุบันถ้าเราทำได้ทั้งสองอย่างนะมันจะเสริมกันมันจะเสริมกันมันจะทำให้เราเนียมีจิตใจที่ตั้งมั่นนะเข้มแข็งแล้วก็ต่อสู้กับโลกได้อย่างดีเลยนะก็อีกประเด็นหนึ่งก็คือเรื่องเพลิดเพลินส่วนมากก็จะมีปัญหาเกี่ยว ก็ผู้ชายนะฮะก็เห็นสาวเห็นรูปเดินในสยามไปเลยมันก็มันแวบมามันแบบเห็นแล้วเราก็เพิ่งเราก็เบิกบานประมาณนี้ฮะเห็นสาวแล้วเบิกบานเตี๋เห็นหนุ่มแล้วเบิกแล้วทีนี้เราก็เราก็คิดว่ามันเป็นกิเลสหนักหรือเปล่าเนี่ยก็เลยใช้เคยเคยได้ยินเขาว่าอสุภะกรรมฐานก็เลยมองว่าเออพอเห็นสาวรูปนี้เราก็จะจินตนาการไปไกลว่าอีกหน่อยเขาจะหน้าตาเป็นแก่ๆเหี่ยวก็แบบมันจะวางได้หรือเปล่าแต่พอใช้วิธีนี้ไปสักพักมันเริ่มเอามาอยู่แล้วก็เริ่มตามรู้แบบนี้ผมจะตามรู้ยังไง ถึงจะถูกต้องครับปัจจุบันไปนะเออเห็นสาวใจมันชอบรู้ว่าชอบัปดูที่ใจเราอย่าไปดูสาวก็แค่นั้นก็หรื่อแล้วครับก็ก็คือก็เลยขอขอการบ้านหน่อยครับว่าคือสําหรับจริตแบบนี้คือมันชอบหาอะไรมาคิดชอบคิดไปเรื่อยเนี่ยผมจะปฏิบัติยังไงแล้วจะรู้ยังไงว่ามันรู้จะมาทานกับพวกคิดมากนะครับคือการรู้ทันจิตตนเองนั่นแหละครับดูไปจิตเดี๋ยวก็สุขเดี๋ยวก็ทุกข์เดี๋ยวก็ดีเดี๋ยวก็ร้ายดูไปได้อย่าไปบังคับมันนะ แต่ไม่ให้ผิดศี่ห้าครับแค่นั้นเลยห้านี้ผมมองแล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่าเราเราตื่นแล้วหรือว่าอารมณ์ประมาณนี้คือเราจะทราบได้ยังไงถ้าเรารู้ทันจิตที่หลงไปคิดเมื่อไหรนัเราจะตื่นเมื่อนั้นเราจะรู้เลยว่าตื่นเป็นยังไงครับถ้าคนในโลกเนี่ยมันไม่เคยตื่นเพราะงั้นไม่รู้จักหรอกว่าตื่นเป็นไงแล้วไม่รู้ว่ากําลังหลับอยู่เพราะหลับมาตลอดเลยครับถ้าเมื่อไหร่ตื่นเป็นถึงจะรู้ว่าที่ผ่านมานั้นหลับวิธีที่จะตื่นขึ้นได้ก็คือรู้ทันจิตที่กําลังฝันนอยยู่่เีจิตที่คิดนนัแหละคือจิตที่อไรนั้น ถ้ารู้ทันว่าจิตกำลังไหลไปฝันเนี่ยตื่นปั๊บเลยพอปฏิบัติต่อไปก็เห็นตอนนี้จิตไปฝันหรือยังตอนนี้รู้ตัวอยู่ครับจิตนี้ไปคิดไหมไม่คิดไม่หนีเลยนะไปฝึกไปเยอะเลยขอบคุณมากครับเอานี่เดี๋ยวแนะนําเดี๋ยวมาหาป้าคนหน้าเนี่ยนะเดี๋ยวมาเรียนรายละเอียดต่อเราสมมาการหลวงพ่อเชียวค่ะหนูส่งกันบ้านหลวงพ่อครั้งสุดท้ายเก้าธันวาค่ะตอนนนหลวงพ่อบอกว่า ให้ไปดูความไม่เป็นกลางแล้วก็ให้เป็นดอกบัวที่อยู่ในในคลองในหนองในบึงค่ะอย่าไปอยู่ในใจกันทีนี้ไอประเด็นที่ดอกบัวเนี่ยตรงเนี้ยค่ะเอ่อหนูก็พอเวลาหนูจะตีตัวออกห่างจากสังคมอะไรอย่างเงี้ยก็จะนึกคาถึงคือทำไม่ตลอดใช่แต่ว่ามันก็จะติดอยู่ที่ว่าเวลาเราไปคลุกคลีกับสังคมอย่างเงี้ยมันทำํำไม่เราคลุกคลีทางร่างกายนะคลุกคลีไปตามหน้าที่การงานของเรา ตามสถานภาพทางสังคมของเรา mm. อย่างคลุกครีต้องดูแล mm. พ่อแม่ญาติพี่น้องทำงานทั้งอะไร่เงี้ยอันนี้ต้องทำใจของเราต่างหาที่ไม่คลุกครีอื mm. ถ้าใจเราไปอินกับเขาเราก็รู้ทันเลยพราะหนูถ้าในที่ทำงานนะถ้าเราสมมติว่าเราไม่คุยพอคุยปุ๊บแ ต, แต่ละเรื่องที่เขานำมาคุยมันมันจะผิดมันไม่ค่อยเนี้ยค่ะก็เลยไ ม, ไม่ดีเราก็อย่าคุยยาวอ๋อสั้นๆก็พอใช่ไหมครับสั้นๆเลยไม่ดูผิดปกติไหะ ปกติใช่ไหมะไล่ไหนนะภาวนาไปเรื่อยๆนะอี่ไหนมันก็จะมีคนสนใจธรรมะมาคุยกับเราบ้างคคุยไปคุยมาไอ้พวกคุยเหลีวไหลไล่สาระไม่กล้าเข้าใกล้เราเลยวงก็เราจะโตขึ้นเรื่อยๆใช่โตจะโตขึ้นเรื่อยโตไหมอ่ะโตเดีรวต้องระวังอีกข้อนึงเวลาพูดธรรมะนะใช่ค่ะอม่นเพลินใช่มันจะเพลินค่ะแล้วก็จะเริ่มรู้สึกกลัวว่าเราชะเกตนั่นแหละไมแล้วมันเริ่มเบียดเบียนไอ้พวกพูดอาธรรม พ่อท่านฟังแล้วกร่วมใจนังนี้ใหม่แล้วพูดทำํำไมอยู่แล้ว <laughs> ใช่ใ ช, ใชไอเรื่องแล้วไอเรื่องความไม่เป็นกลางเนี่ยค่ะเมื่อที่ทีราหนูได้คุยกับพี่มาเรียค่ะบอกว่าให้ดูทุกข์กับสุขหนูก็อ๋อดูทุกข์กับสุขได้ใช่ไหมโอเคทีนี้หนูรู้สึกว่า ต, วตัวหนูเองเนี่ยถ้ามีทุกข์เนี่ยมันจะดูว่ามันทุกข์มันจะดูอย่างเงี้ยมันจะอยู่อย่างเงี้ยค่ะมันก็เห็นว่ามันทุกข์อยู่อย่างเงี้ยให้ดูที่จิตจิตไม่ชอบทุก แต่หนูก็จะเห็นว่ามันทุกข์นะคะแต่มันจะเห็นแบบเฉยๆอ๋อเฉยเพราะว่าเราไปิดตรึงมันไปหรือเปล่าหรือเพราะมันอยู่ห่างของมันเองมันอยู่ห่างค่ะแต่มันจะอยู่แบบเฉยๆมันเหมืนมันตึงแต่มันอยู่ห่างๆอะค่ะถ้าตรึงอยู่นะห่างแต่มันก็ไม่ไม่หายนะคะไม่หายแล้วก็เฉยๆดูแบบเฉยๆเจ้นั้นไม่ได้มีสติจริงเราไปบังคับอยู่แต่หนูก็เห็นว่าเป็นทุกข์อย่างนี้บังคับเหรอคะเออเห็นความทุกข์นะคะเออก็ยังบังคับอยู่นะแต่มันก็ยังเฉยๆอันบังคับอยู่เหรอคะคุณพ่อบังคับ อย่าพัดแต่ทุกข์เลยพ่อของความทุกข์มาก็ยังเฉยต้องเทพจิตยกับไม่เคยหนูรู้สึกว่าเวลาทุกข์กับสุขเนี่ยมันแล้วบางทีนะคะหลวงพ่อเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมหลงหลงค่ะแต่ว่าต้องน้อยนะจำที่หลวงพ่อบอกไว้หลวงพ่อค่ะอีกนิดหนึ่งอีกนิดเดียวค่ะคือส่วนใหญ่หนูจะเห็นว่ามันเฉยมากกว่าค่ะสุขกับทุกข์นี่มันเหมือนอยู่ใต้พื้นดินะ ถูกแล้วมันถ้าต้องไปค้นนะคะถึงจะเห็นไม่ต้องค้นหรอกถ้ามีอารมณ์ที่มันแรงพอมันก็ขึ้นมาเองตอาติจิตเราก็เฉยเฉยส่วนใหญ่จะเห็นเฉยนั่นแหละถูกแล้วละ่ะถูกแล้วใช่ไหมคะแล้วมือนหนูก็ติดอยู่อีกอย่างเดียวคะ่ะหนูรู้สึกว่าหนูต้องมีข้อบูกพ้องอะไรแน่นอนเลยคะ่ะหลวงพ่อมันต้องมีสักข้อนึ่งะะอะนั่นแหละไปดูเอา ไปเตือนตนด้วยตนเองอย่างนี้ดีแล้วใช่ไหมคะหลวงพ่อทำไปเรื่อยๆ อ, อย่างนี้ใช่ไหมคะเพะหนรู้สึกว่ามันไม่ค่อยวือหวาไม่ค่อยมีอะไรที่มันแบบมีสีสันนะคะก็ะเฉยๆเรื่อยๆเป็นอย่างนี้ค่ะต้องระวังรักษาจิตให้ดีหน่อยนะเวลาจิตมันเพลินไปนกระธรรมะต้องรู้ทันนะตัวนี้เป็นจุดอ่อนนะค่ะอะต่อไปขอบพระคุณนะคะ การจะมสะการเจ้คะ่ะส่งการบ้านรอบสองปีเจ้คะ่ะเคยส่งครั้งแรกหลวงพ่อบอกว่าให้ให้ดูกายเช้ ค, <S <S ค่ะครั้งที่สองบอกว่าพอจะดูใจได้แล้วแล้วตอนนี้ก็คือวันนี้มาส่งนี่ก็คือถ้าถ้าตามที่คําที่หลวงพ่อสอนก็คือมีสติรู้กายรู้ใจอันนี้พอรู้เร็วขึ้นแล้วเช้าคะ่ะใช่แต่ด้วยใจที่ตั้งมั่นและเป็นกลางนี้ยังคะ่ะไม่เป็นกลางมากกว่าเป็นกลาง <S <S เออไม่เป็นกลางไม่เป็นไรให้มันตั้งมั่นไว้ก่อนเจ้าคะ่ะเวลาใจตั้งมั่นนะมันจะเห็นว่า ร่างกายกับใจอยู่โครานกันนะพอจะเห็นเจ้าค่ะทุกข์กับใจก็อยู่โคราันกันเห็นไหมปุสนกับจิตใจก็อยู่โครานตอนนี้มันเริ่มแยกแล้เจ้าค่ะนี่พอมันไปกระทบอารมณ์เนี่ยทีแรกมตั้งมั่นก่อนพอกระทบอารมณ์สักพักหนึ่งมันจะเห็นนะเดี๋ยวก็ยินดีเดี๋ยวก็ยินร้ายให้รู้ทันยินดียินร้ายอีกทีหนึ่งรู้ทันยินดียินร้ายยินดียินร้ามันจะดับใจมันจะเป็นกลางะแต่เันนี้กลางเพราะสติตอนเบื้องต้นนี้ให้กลางเพราะสติไปก่อนเจ้าค่ะ ข้อที่สองเจ้าค่ะเมื่อวันที่28่ธันวาเกิดอุบัติเหตุขับรถเองเจ้าค่ะรถพลิกคว่ําตอนนั้นเห็นว่าเออนะที่หลวงพ่อสอนว่าจิตเนี่ยเป็นดวงดวงรู้ว่าได้ยินอพอได้ยินปุ๊บก็ตัดเป็นการมองเห็นแล้วก็ตัดเป็นการว่าตั้งสติได้แต่ว่ารู้แค่ตรง น, นั้นนะคะแล้วก็หลังจากนั้นก็ไม่เคยมีอาการตรงนี้อีกเลยรู้แต่ตอนที่เกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินตอนนั้ น, นจะะรรนะุนนแงเจ้าค่ะเวลาเกิด อุบัติเหตุเลยเนี่ยจิตที่เคยฝึกไว้อย่างดีนะมันจะดีดตัวออกมาเองอ่ะมันจะมาเห็นเป็นช็อตช็อชอช อ, ชอตเลยนะ <_ zach> เห็นแลวเอาคอหักกรอบไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยจิตจะเด่นดวงอยู่งั้น <_ c oughs> แต่แต่รู้สติหมดทุกช็อตเลยนะ <_ c oughs> นนใชนั่นต้องอย่างนั้น <_ c oughs> <ค S 1> เหมือนอาจารย์มหาบัวท่านเล่าอะรถท่านคว่ำอ่ะท่านบอกเอียงทางไหนรู้หมดเลยนะแต่แขนท่านาก็หักเพราะท่านแก่ละ <_ c oughs> เจ้าะค่ะ มีเท่านี้จ้ะหลวงพ่อมีอะไรแนะนําเพิ่มเติมไหมเจ้าคะฝึกไปอีกฝึกไปให้สม่าําเสมอนะเจ้ะที่ทําอยู่ก็ใช่ได้หรอกอย่าอยากได้ผลเร็วก็แล้วกันเจ้าค่ะกลาวธรรมสการเจ้าค่ะมากราบขอคําชี้แนะเจ้าค่ะตอนนี้โยมปฏิบัติอยู่ที่บ้านก็ใช้วิธีเดินจงกรมแล้วก็บริกรรมเป็นเป็นบทนสด็นมณ์สั้นๆประมาณวันละครึ่งชั่วโมง ก็ทําได้ทุกวนนกันตั้งแต่ตุดจีนมาตั้งใจว่าแล้วก็สามารถทําได้ส่สวนส่วนในช่วงชีวิตประจําวันเนี่ยก็พยายามทำเท่าที่สามารถนึกได้แต่สิ่งที่เกิดคือยมรู้สึกว่ายมคิดฟุ้งซ่านตลอดเวลาแต่ว่าเวลาที่รู้ว่าคิดเนี่ยจํานวนครั้งต่อวันเนี่ยมันนี่ยังไงส่วนใหญ่มันจะคิดเรื่อยเปื่อยคิดเรื่องนู้นเรื่องนี้แล้วกว่าจะรู้ว่าเอ๊ะแบบเาคิดยาวมากคิดยาวมากคิดยาวต้องให้มีเครื่องอยู่ของจิตไหม นะอยู่กับพุทธโธอยู่กับลมหายใจอะไรเงี้ยพอจิตมันทิ้งลมหายใจทิ้งพุทธโธไปไม่ได้รู้ว่าหลงพอเราจำสภาวะที่หลงได้แม่นนะพอไปพูหลงปุ๊บสติเกิดเลยโยมพยายามจะอยู่กับคำบริกรรมคื อ, อเป็นเป็นค า, าถาสั้นๆแต่ว่าบางทีก็เหมือนสวดเลื่อยเปื่อยสวดแล้วยังไม่รู้เลยว่าสวร ด, ดระหว่างสวดก็ยังคิดเรื่องอื่นพลังของสติขึ้นนิดนึง ถ้าสวดแล้วก็ล่องลอยไปนั้นมันสวดได้ไขสันหลังละค่ะใจมันหนีไปแล้วไม่ดีเราไม่ได้สวดเพื่อจะสวดเราสวดเพื่อจะคอยรู้ทันจิตเพราะงั้นถ้าเราสวดแล้วเราไม่ได้รู้ทันจิตจิตนี้ไปก็ถือไม่บรรลุวัตถุประสงค์แล้วจะเพิ่มพลังของสติได้ยังไงคะท่านเราความรู้สึกตัวไึ้นมาค่ะรู้สึกตัวให้ชัดๆขึ้นเป็นช่วงๆนะไม่ต้องคอย่างนี้ทั้งวันไม่ได้นะค่ะเรามาไปเดี๋ยวสติแตกค่ะ อย่เปล่อยให้มันอะไรเงี้ยเรื่อยๆรู้สึกขึ้นมาอย่างตอนระหว่างเดินจงกรมก็เหมือนกันในรูปแบบเดินจงกรมนะมัเดินไปเดินมาใจลอยไปเลยค่ะนะเพราะฉะนั้นต้องเราความรู้สึกตัวขึ้นมาเป็นช่วงๆค่ะนะไปถับมอาออกไปค่ะนายกรับคำทัะคุณค่ะนมันสการค่ะหลวงพ่อก็ฟังซีดีหลวงพ่อมาเป็นปีแล้วนะคะแล้วก็ เ, เห็น กิเลสเยอะแยะเต็ไมไปหมดเลยค่ะเห็นโทสะเห็นอัตตาเห็นทุกข์แล้วก็จะคือเคยฟังซีดีหลวงพ่อบอกว่าถ้าสมมติว่าเรารู้ไปเรื่อยๆเนี่ยเราจะเห็นทุกข์มากขึ้นแต่ว่าใจเราเนี่ยจะยิ่งสว่างสงบแล้วก็มีความสุขโชยมาแผ่ๆแต่เหมือนยังไม่รู้สึกแบบนั้นก็เลยไม่แน่ใจว่าทำผิดหรือเปล่าค่ะไม่ผิดหรอกนะทาไม่พอต้องทาไปเรื่อยๆใช่คทเรื่อยๆนะทเรื่อยๆ อย่าใจร้อนค่ะเราต้องซื่อสัตย์ต่อตัวเองค่อยๆดูตัวจิตของเราเป็นยังไงเราค่อยเรียนค่อยรู้ไปเรื่อยๆนะค่ะตัวจริงร้ายไหมร้ายมากเลยค่ะหลวงพ่อเห็คือจิตเกิดตลอดเวลาเลยค่ะหนูต้องดูไปนะค่ะรู้เท่าทันไปเรืเอยๆค่ะอย่าไปสงวนรักษามันไว้ค่ะรู้ทันมันเข้าไปค่ะแล้วมีช่วงนึงค่ะหนูมีความเหมือนน้องเขาอะค่ะที่เกิดความเบื่อแต่ว่ามันเป็นความเบื่อเป็นโทสะค่ะแล้วก็เป็นทุกข์เหมือนแบบ คือมันเห็นทุกข์แต่มันเกิดทั้งวันเลยค่ะหลวงพ่อใช่มันทุกข์จะกกรีดอยู่แล้วใช่ค่ะแล้วคือถ้าบางทีถ้าเห็นวูบหนึ่งมันก็หายแต่อีกแป๊บเดียวมันก็เกิดใช่ก็คือทําได้แค่ดูมันไปใช่ไหมคะหลวงพ่อไม่ใช่ไม่ใช่ไปดูแค่นั้นค่ะให้รู้ทันว่าจิตไม่ชอบมันค่ะคือการภาวนานะต้องภาวนาให้ถึงจิตถึงใจนะงั้นไม่ใช่แค่รู้สภาวะที่เกิดขึ้นไม่ใช่รู้ว่ากําลังทุกข์อยู่กําลังสุขอยู่ค่ะถ้าทุกข์อยู่เกลียดมันรู้ว่าเกลียด ก็สุกอยู่ชอบมันรู้ว่าชอบรู้ให้ถึงจิตถึงใจจริงๆค่ะถ้ารู้มาทวนเข้ามาไม่ถึงจิตถึงใจนะจะนั่งรอว่าเมื่อไหร่ทุกข์จะหายบางบางครั้งเห็นว่าเกลียดมันก็หายไปอีกแบบหนึงมันก็เกิดขึ้นมาอีกแล้วแป๊บเดียวที่ยั้อยู่สิ่งทั้งหลายเกิดจากเหตนะเหตุที่โทสะยังมีมันก็ต้องมีโทสะก็ได้แค่ตามดูมันไปเรื่อยๆใช่ไหมให้ตามดูไปเรื่อยๆนะแล้วรู้ทันจิตไป อย่าลืมคำว่ารู้ทันจิตนะหนูชับตัดทิ้งเลยเล ย, เยอี่าเหลือแต่ตามดูไปเรื่อยๆไม่พอนะตามดูสภาวะทุกอย่างที่ปรากฏขึ้นมาแต่ว่าเมื่อสภาวะทั้งหลายปรากฏแล้วเนี่ยจิตยินดีให้รู้ทันจิตยินร้ายให้รู้ทั น, นมันจะต้องเข้ามาให้ถึงจิตถึงใจนี่เพราะว่ากุศลแท้ๆก็เกิดที่จิตนะอกุศลก็เกิดที่จิตมรรคผลก็เกิดที่จิตนั้นเรียนเข้ามาให้ถึงจิตได้ได้ งั้นเรียนอยู่ที่โทรสะบางทีดูแล้วมันวิ่งหนีได้นะเคยรู้สึกไหมกิเลสมันเคลื่อนหนีไปได้หลวงพ่อเคยเสียท่าเลยดูกิเลสนะมันโผล่ขึ้นมามันผุดขึ้นมาจากกลางหน้าอกเนี่ยดูแล้วมันหดนะมันหนีลงไปเอาเราว่าวันนี้ถึงไหนถึงกันนะจะทะลุใต้บาดาลก็จะไปล้วตามดูตามไปเรื่อยตามตามไปหาที่สุดไม่ได้หาจุดตั้งต้นไม่ได้เลยที่แท้ดูผิดแล้วนั่นถล่ตามมันไป ฉะนั้ถ้าโทสะเกิดแล้วใจเราสงสัยว่ามันมาจากไหนนะรู้ทันว่าใจกำลังสงสัยให้รู้เข้ามาที่จิตเราไม่ไปปรุงต่อไม่วิ่งตามมันไปไหนหรอกงั้นภาวนาเห็นสภาวะแล้วนะรู้เข้ามาให้ทันจิตของเรารู้ให้ถึงปฏิกิริยาที่จิตมีต่ออารมณ์มันั้นค่ะอีกอีกข้อนึงหนึ่งคะอีกข้อนึงหนึ่งไหมคะหลวงพ่อคือบางทีถ้าระหว่างวันแบบหลงอยู่อย่อยางเงี้ยค่ะแล้วจู่ๆคิดว่าต้องดู แน่นขึ้นมาทันทีเลยค่ะหลวงพอ่อแน่นไปก่อนดีกว่าหลงแล้วเราดูความแน่นนะคะหลังจากนัน้นก็ดูไปร่างกายมันแน่นจิตใจมันแน่นหรือร่างกายมันแน่นใจเราเป็นคนดูเฉยๆนะค่ะอยากให้หายรู้ว่าอยากนี่กลับเข้ามาดูจิตได้แนละ้ค่ะตึงไว้ก่อนดีกว่าย่อนเกินไปท่องไว้เลยนะค่ะไม่งั้นเอ๋จะบอกว่าจะเอาทางสายกลางกลายเป็นหย่อนหมดเลยเมื่อตอนตึงไว้นิดนึงค่ะค่ะขอบคุณครับห<ม>ลวงพอ่อ นมัสการเจ้าค่ะคือโยมเพิ่งมาที่นี่เป็นครั้งแรกเจ้าค่ะแล้วกเ็เมื่อต้นปีที่แล้วยมเคยฟังซีดีเพราะว่ามีคนรู้จักให้มาแล้วก็เขาบอกว่าฟังแล้วไม่เข้าใจโยมก็เลยลองฟังแล้วมันรู้สึกว่าเข้าใจแต่ว่าห้าวมากแล้วก็บวกกับโง่ก็ฟังพอรู้ว่าทํายังไงแล้วก็ทําไปแล้วก็ไม่ได้ฟังต่อทําไปจนมันเห็นว่าตัวเองมีความเลวมากขึ้นมากขึ้นแล้วก็ เวลาจะทำอะไรจะก้าวซ้ายก้าวขวามันก็จะคอยมาภาคอย่างจะให้ของขวัญช้อมันก็ภาคว่าแกให้พออะไรเงี้ยแล้วมันก็เลยแบบรู้สึกท้อแท้ใจในความ uh huh. เร็วของตัวเองแล้วก็เลิกทำไปเลย Wait, <come> แล้วก็ <laughs> แล้วก็เลยกลับไปนั่งสมาธิอย่างเงี้ยค่ะ uh huh. แล้วก็เสร็จก็มาเจอภาวะน้าท่วม uh huh. เสร็จพอเจอภาวะน้าท่วมเครียดมากสติแตก uh huh. แล้วก็พอสติแตกก็เริ่มมาระลึกว่า ที่ผ่านมาเหมือนเหมือนเราพยายามทําดีอะไรที่เราพยายามนั่งสมาธิกดตัวเองนันนะคะมันไม่ใช่อะไรไม่ได้เลยก็เลยรู้สึกเหมือนผีไม่มีสารอยู่พักนึ่งจริงๆทาสมาธิดีๆน้ําท่วมเนี่ยสมมติน้ําท่วมเรานะี่ยจมน้ำนะตายช้ากว่าคนอื่นนะอมันหายใจน้อยแล้วเราก็เลยเลยรู้สึกว่าเคว้งคว้างเหมือนเหมือนทําอะไรก็ได้เทั้งว่าทำสมาธิก็ได้เพราะจิตมันยังแบบฟุ้งอยู่อย่างเงี้ยก็เลยไม่รู้ทําไงก็เออ กลับมาฟังอีกทีดีกว่าแล้วก็ฟังแล้วเสร็จก็พยายามทำแต่ว่ามันมันมันเหมือนไม่ค่อยเห็นอะไรอ่ะมันมันแบบผิวผิวเหมือนจะเห็นนิดนิดแล้วมันก็จบจบไปอย่างเงี้ยสติมันเร็วน่าค่ะพอมันไหวตัวแวบสติเห็นก็ขาดไปแล้วใช่มันมันแบบมันไม่เหมือนเดิมที่เคยเห็นแล้วเสร็จแล้วก็เลยก็ดีแล้วนี่แล้วค่ะแล้หนูก็เลยว่าเอ๊ะทำไมมันไม่เห็นเหมือนเดิมเพราะตอนเดิมมันสนุกมากแต่ว่าสั้นไหมตนนี้ ฟุ้งค่ะเออแค่นี้เองมันลอยไปใช่นะนี่หนูรู้ลงปัจจุบันไปด้วยที่ฝึก อ, อยู่แลใช้ได้แล้วใช้ได้แล้วออแล้ว <นะ S 1> ถามอีกข้อนึงค่ะอเ อ, อ้ยสองข้อข้อแรกคือที่หนูหนูฟังซีดีหลวงพ่อหลวงพ่อบอกว่าตื่นมาให้อะไรนาะทีทองนั่นน่ะคะ่ะแล้วก็ให้ดูว่าเราทำอะไรหนูว่า ลืมตาตื่นปุ๊บก็เห็นว่ามันมันไปอยู่ที่ลมหายใจอแต่ว่าหนูงงว่าแล้วจะให้ทําไงต่อไม่เป็นไรก็ดูไปร่างกายที่หายใจอยู่ใช่ไหมคะก็เป็นสิ่งที่ถูกรู้ถูกดูนะไม่ใช่ตัวเราค่ะความสุขความทุกข์กุศลอกุศลก็เป็นของถูกรู้ถูกดูไม่ใช่ตัวเราค่ะจิตเดี๋ยวก็ดีเดี๋ยวก็ร้ายนะเห็นแต่ของไม่เที่ยงเห็นแต่ของไม่ใช่ตัวเราค่ะก็แค่นั้นแหละแล้วก็ที่ที่ทำเมื่อสามวันที่ผ่านมามัน อยู่ๆก็กำลังส่องกระจกทาครีมอยู่แล้วก็เห็นมือตัวเองมันเป็นแบบทือ่อๆท่อนๆเป็นเหมือนมันมันโดดออกมามันไม่ใช่เป็นแขนเรียวๆเหมือ น, นปกติ<ม>หนูก็ตกใจตกใจเสร็จแล้วก็เอ๊ะสบาตาดูอีกที<ม>ก็ยังเป็นอยู่แล้วก็รู้สึก<ม>ไอ้นี่หรือเปล่าที่เขาเรียกว่ามันมันแยก แล้วพอรู้สึกงี้แป๊บหนึ่งมันก็เป็นปิติน้ําตาจะไหลเสร็จแล้วหนูก็ดูปิติอีกทีแล้วมันก็หายเฉยๆไปอันนั้นใช่หรือเปล่าหรือว่าฟุ้งซ่านไปเองคะไม่ฟุ้งหรอกเหรอคะแต่ต่อไปดูปิติปิติหายก็เห็นจิตสงบลงมาอ๋อใช่ใช่ดูควสงบก็เห็นจิตตั้งมั่นขึ้นมาอดูไปเรื่อยไม่เลิกหรอกก็ไม่ใช่ค่ะดูปิติปิติหายเลิกเลยไปดูอย่างอื่นต่อดูไม่เลิกนะดูไปเรื่อยแล้วตอนนี้หนูทําสมาธิอะค่ะมันมันมันเหมือนมันไม่ นูก็มันกำลังกังวลว่าเอ๊้พอเราทําสมาธิพอมันจะดิ่งลึกหนูไปดึงมันออกกลัวว่ามันจะไปติดเพง่งไม่ไม่ติดหรอกจะติดหรือไม่ติดเนี่ยอยู่ที่ว่าพอไปทําแล้วนะยินดีพอใจ ร, รู้ไรู้ได้ยินดีพอใจ ร, รู้เนี่ยไม่ติดอ๋อไม่ไม่ไม่ติดใช่ไหมคะมเพราะ <ทำ S 1> าว่ากล<ำ>ัวติดเพง่งให้มันลงไปไม่เป็นไรแต่หนูไม่ต้องกลัวหรอกมันไม่ลงนานหรอกนะใหมันจะเที่ยวนานมากกว่าใช่ งั้นลงไปเถอะอ๋อไม่เป็นไรใช่ไหมคะเออไม่เป็นไรแล้วก็ทํามันก็เดี๋ยวนี้มันทําบางครั้งก็ได้บางครั้งก็ไม่ได้บางครั้งก็หรือว่าทําให้มันดูไปเรื่อยๆของมันอะไรคิดอะไรก็ทานะทําไม่ได้ก็ทำอ๋อค่ะสรุปแล้วหนูทําเข้ารูปข้อรอยแล้วใช่ไหมคะเข้ารูปข้อลอยนะหนูต้องทําความสงบบ้างหนูพุงแรงไปสมาธิใช่ไหมคะ แ <c oughs> ถ้าจิตจะรวมก็ให้เข้ารวมนะไม่ต้องกลัวหรอกรวมป <c oughs> ุ๊บก็เด้งขึ้นแล้วอ๋อค่ะค่ะขอบคุณคุณค่ะแต่ตรงที่อันนี้พวกเราไปใช้ได้นะเมื่อเราทํางานที่เหนื่อยแล้วเราไม่มีเวลาพักอนะ่ะเหนื่อยมากๆากนะเราปล่อยจิตให้มันลงมันลงไปปุ๊บนะมันลงไปนิดเดียวเดี๋ยมันก็ขึ้นมานะมันจะสดชื่นได้อีกช่วงหนึ่งนะได้มีแรงทํางานได้อีกแต่ถ้ามันเหนื่อยมากมาจจะลงไปเป็นนาทีสองนาทีขึ้นมา แต่ถ้าไม่เหนื่อยมากลงไปปุ๊บเดี๋ยวก็ขึ้นแล้วก็ได้แรงแล้วฝึกไปเรื่อยๆของเล่นครับน้ำมัสการค่ะโยมมาจากหัดใหญ่นะคะคือเจริญเอามาจากหัดใหญ่ค่ะคือดูจิตมาประมาณอ่าประมาณหปีนะคะแต่ว่านี้เรียนกรรมาฐานมาก็1ิปีโยมจะสวดมนต์แล้วก็นั่งสมาธิแล้วก็ดูจิตนี่ก็คือมันเห็นน่ะค่ะเห็ น, นตัวเองเป็นคนที่ว่าคิดคิดไม่หยุด ก็จะเห็นตัวตัวคิดของตัวเองนะคะแล้วก็เป็นคนโทสะจริต <c oughs> การดูจิตนี่พอพอเห็นความก้าวหน้าของตัวเองบ้างแต่แต่เรื่องการทําสมาธิเนี่ยค่ะโ ย, ยมนั่งแล้วโยมไม่เป็นสมาธิเลยแล้วก็อยากขอความแนะนําจากหลวงพ่อนะคะว่าว่าโยมควรจะทําสมาธิแบบไหนเพราะว่าเคยเรียนพองยุคแต่โยมมองไม่เห็นท้องพองยุคโยมก็ดูลมหายใจลมหายใจเข้าออกเนี่ยค่ะ <c oughs> คือจ้องจับเคล็ดลับ ของการทำสมาธิก่อนถ้าเราทำสมาธิโดยหวังว่าจิตจะสงบอยากให้จิตสงบเนี่ยไม่สงบง่ายหรอกถ้าเราทำเล่นๆนะจะสงบง่ายเหมือนเวลาจะนอนหลับนึกออกหมเวลานอนหลับนะอยากให้หลับเนี่ยไม่ค่อยหลับนึกออกไหมนอนเล่นๆกะว่าจะนอนสักเล่นงีบๆสักแป๊บเดียวนะหลับได้ยาวเลยการทำสมาธิก็แบบเดียวกันถ้าเราจงใจจะให้สงบเนี่ยไม่สงบหรอกหนูทำเล่นๆแป๊บเดียวก็สงบ มันมีเคล็ดลับค่ะแ ล, แล้วที่โยมทำอยู่นี่มีอะไรจะแนะนำโยมบ้างอีกค่ะก็ทำไปสม่ำเสมอนะอย่าหวังผลใจร้อนไปสาธุคดูออกไหมใจร้อนนั่นะแหละปัญหาเพราะใจร้อนเนี่ยใจไม่สบายไม่สงบนะจะฟุงที่หนูฝึก อ, อยู่ใช้ได้นะขันก็แยก นมัสการหลวงพ่อค่ะขอส่งกันบ้านในรอบปีกว่าค่ะออคือคราวที่แล้วที่ส่งกันบ้านหลวงพ่อหลวงพ่อบอกว่าสามารถแยกธาตุขันได้บ้างแล้วอะค่ะแต่ว่าที่ผ่านมาเนี่ยก็จะเห็นกายเคลื่อนไหวอย่างเช่นพูดกับพริบตาหรือว่ายกมือก็พยายามมองอะนะคะแต่ว่ามันจะเหมือนกับว่าเราใช้ความคิดช่วยด้วยว่าเขาไม่ใช่เรานะเขาเป็นหุ่นช่วยได้ก็ได้เบื้องต้นเนี่ยคิดช่วยก็ได้ไม่เป็นไร มันจะต่างกันกับการดูจิตซึ่งเราจะเห็นว่าโทรศัพโมหะที่แทรกเข้ามาในแต่ละวันเนี่ยมันคือสิ่งที่ผ่านมาแล้วก็ผ่านไปจะจะเห็นได้ชัดเจนกว่าเพราะว่าเราถนัดดูจิตมากกว่าดูกายใช่ค่ะงั้นดูกายเรายังไม่ถนัดเราก็ช่วยมันคิดพิจารณาก่อนไม่เป็นไรเพราะฉะนั้นมันเลยเห็นว่ามันไม่เคยเห็นว่ากายเป็นท่อนๆอะไรอย่างที่เขาเห็นกันนี่ยังไม่ไม่เห็นไม่ชัดเจนมันต้องเห็นเองถ้าจงใจเห็นไม่เห็นหรอก แล้วที่ปฏิบัติอยู่ทุกวันนี้ค่ะหลวงพ่อก็จะพยายามเดินจงกรมวันละครึ่งชั่วโมงแล้วก็สวดมนต์ด้วย<ม>แล้วก็ที่เห็นพัฒนาการขึ้นมาก็คือในในในเรื่องของสมาธิซึ่งเมื่อก่อนเนี้ยทำไม่ได้เลย<ม>แต่ตอนเนี้ยมีนั่งสมาธิได้บ้างอย่างน้อยเนียประมาณ15นาที<ม>หรือว่าบางช่วงครึ่งชั่วโมงมถ้าถ้า ใจไม่ฟุ้งซ่านหรือว่าตั้งใจทำเกินไปเนี่ยจะจะอยู่ได้อะคะ<ด>่ะจากเมื่อก่อนทำไม่ได้นั่นแหละนะพอเราฝึกสติเราดีขึ้นนะจิตใจเรารู้เท่าทันตัวเองมากขึ้นเรื่องทาสมาธิไม่ใช่เรื่องยากะ่ค่ ะ, ะมันง่ายแล้วคันนี้ไม่ทราบว่ามีอะไรจะต้องปรับปรุงแก้ไขอีกไมคะก็ทำไปให้สม่าเสมอทำถูกแล้วล่ะอ๋อค่ะแต่ถ้าจิตเคลื่อนออกไปเรารู้ทันนะแค่รู้ทันจิตไม่เวลามันหนีจากฐานไป หมายถึงฟุ้งออกไปข้างนอกใช่ไหมคะฟุ้งหนีไปคิดอะไรเงี้ยจิตหนีไหลไปคิดแล้วรีบรู้ทันไหลไปคิดแล้วรู้ทันค่ะเพราะช่วงนี้จะเป็นบ่อยแล้วก็มีโทสะบ่อยด้วยอะค่ะรู้ทันเวลาจิตไหลอ๋อค่ะในในเรื่องของศีลด้วยแล้วปาคะหลวงพ่อเพราะว่าศีนข้อศีนเนี่ยจะรักษายากมากศีนข้อศีนรักษายากจะทําให้จิตฟุ้งสั้นอยู่ตลอดเวลาใช่บางคนหลวงพ่อถึงบอกไงพวกที่ส่งกันบ้านนะอย่าพูดเยอะ คนไม่ได้พูดเรื่องอื่นเลยนะเจอใครจะพูดแต่ธรรมะนี่พวกนี้ผิดศีลเหมือนกันพูดธรรมะไม่เลิกเลยอยู่ๆก็พูดนะไม่สมควะพูดก็เรียกว่าพูดเพ้อเจ้องั้นเนื้อหาที่พูดนะยังเป็นประเด็นรองนะถ้าพูดโดยไม่มีความจําเป็นไม่มีเหตุผลนะถึงจะพูดธรรมะนะก็เพ้อเจ้อ ค่ะทันนี้กันบ้านก็คือว่าให้ดูจิตที่ส่งออกไปที่ไม่ถึงฐานใช่ไหมคะใช่แล้วอย่างเวลากโกรธนี่ก็จะเป็นว่าไม่เป็นกลางพอเลยนะคใช่นั่นแหละถ้าดูรู้ทันตรงที่เป็นกลางไม่เป็นกลางนั้นก็เข้าฐานได้ค่ะขอบพะคุณค่ะกลันบนันมรสการของพ่อค่ะหนูเคยส่งกันบ้านกับพ่อในนานแล้วที่ส่วนสติธรรมนะคะนวันนี้หนูขอรายงานการปฏิบัติที่ผ่านมานะคะ ปกติก็จะทำวัดเช้าแล้วก็นั่งสมาธิประมาณ40นาทีตอนเย็นก็จะเดินจงกรมประมาณหนึ่งชั่วโมงแล้วก็ทำวัดเย็นนะคะแล้วก็พยายามมีสติในชีวิตประจำวันนะคะณขณะที่ทำเหล่านี้เนี่ยก็เริ่มบางครั้งก็เริ่มเห็นว่าตัวเราไม่ใช่นะคะแต่สิ่งที่มีปัญหาหรือว่าข้องใจ ก, กับตัวเองก็คือว่ามันเป็นสัญญาหรือเปล่า หรือว่าเป็นปัญญาที่มั น, เ, นเกิดขึ้นเป็นปัญญา น, นะมนเห็นแล้ว<ะ>คือถ้าจิตมันตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ดูได้เนี่ยมันเดินปัญญาได้และแต่ถ้าจิตเราอยาเคลื่อนเคลื่อนอยู่นี่ยมันเป็นสัญญาในเนี้ยจิตเราตั้งมั่นขันมันแยกนะเป็นขันทำงานไปอันนี้ไม่ใช่สัญญาแล้วไม่ใช่เรื่องกลุ่มคิดเอาเอง เ, เป็นปัญญาใช่ไหมคะ หนูจะได้มีกำลังใจขึ้นมากำลังใจค่ะอัง น, นั้นหนุมก็คงจะต้องขอการบ้านหลวงพ่อค่ะไปทำสิทำถูกแล้วค่ะทำบ่อยๆค่ <c oughs> <น>ะค่ะกับมาเศ ก, การค่ะสู้กิเลสนะมันเป็นงานยืดเยื้อสู้กันแลมเดือนแลมปีหลายๆปีเพราะเราสะสมกิเลสมานับพบนับชาติไม่ท้วน <c oughs> อยู่ปุ๊บปับป๊บปุ๊ปดูแป๊บแป๊บจะให้หลุดไปนะไม่หลุดหรอก มันเป็นงานที่ต่อเนื่องนะต้องอดทนกราบนมัส ก, การหลวงพ่อครับวันนี้ผมมาส่งกันบ้านรอบสามเดือนครับเมื่อครั้งก่อนผมไปส่งประมาณเดือนธันวาคมปีที่แล้วครับก็ตอนนี้ผมยังทํากันบ้านไม่เสร็จก็คือยังตามดูกายดูใจอยู่แต่ว่ายังรู้สึกว่ามันต้องยังต้องดูต่อไปอีกเรื่อยๆนฮะเพียง <ừ> แต่ว่าเมื่อประมาณสามเดือนที่แล้วผมไปส่งกันบ้านหลวงพ่อหลวงพ่อแนะนำผมว่าเราไม่ได้ปฏิบัติเพื่อจะอความตั้งมัน่น เอะไรนะเราไม่ได้เราไม่ได้ปฏิบัติเพื่อเอาความตั้งมั่นครับซึ่งตอนนั้นผมส่งกันบ้านแล้วผมคิดว่าเฮ้ยน่าจะดีนะแต่ไม่มีคําชมมิดาบอกเฮ้ยไม่ได้เราไม่ได้ปฏิบัติเพื่อเอาความตั้งมั่นนะ <Ừ. S 2> พอกลับมาปุ๊บก็รู้สึกว่ามันเคว้งเวงว่าเอ๊ะแล้วเราจะทำยังไงล่ะเพราะว่าเวลาที่ในช่วงก่อนหน้านี้เวลาที่เรารู้สึกรู้สึกอะไรเราจะไปดูว่าเออจิตมันก็รู้สึกของมันไปไม่เกี่ยวกวับเรา <Ừ. S 2> แต่ว่ากลายเป็น พอไกลเป็นว่าพอมาส่งกันบ้านลุงพ่อบอกเออแล้วเดี๋ยวเอาความตั้งมั่นนะก็จะตั้งมั่นนะไม่ใช่ปลายทางนะมันเป็นเครื่องมือทั้งนั้นผมก็เลยช่วงอาทิตย์ที่หนึ่งอาทิตย์ครึ่งหลังจากวันที่ไปส่งมาก็คือเหมือนเป๊๋ๆแบบไม่รู้จะทํายังไงเพราะว่าถ้าเราไปดูปุ๊บมันก็จะเหมือนว่าเอ้ยเราไปทําเพื่อเอาความตั้งมั่นแต่ว่าพอหลังจากนั้นประมาณสองอาทิตย์คือผมก็อืมช่างมันดูไกลดูใจต่อไปอีกก็ต้องเงิน ซึ่งเมื่อก่อนนี้ผมจะที่ผมจะส่งอันว่าหลวงพ่อบ่อยๆก็คือว่าเอ่อป ก, กติผมจะเห็นความเป็นจิตมันเป็นของมันเองคือจะเห็นเห็นความเป็นอนัตตาชัดเห็นอ น, นิจจังไม่ชัดแต่ว่าพอช่วงประมาณสองเดือนที่ที่ผ่านมาก็คือเรามาดูเรื่อยๆก็จะเห็นสภาวะมันเริ่มเกิดเริ่มชัดขึ้น อ, อแล้วก็ดับชัดขึ้นแบบมันเป็นซีเรียลแบบเกิดดับแต่ว่ามันมันจะไม่ได้เป็นตลอดนะครับมันจะเป็นช่วงๆในในบางช่วงที่เรา มีสภาวะที่ว่าเออเราจะเห็นชัดมันก็ชัดเป็นช่วงหนึ่งช่วงเราจะหลงมันก็ลื้อหลงไปแล้วก็กลับมาใหม่มบางทีมก็เห็นแวบบเห็นแว บ, บเหมือนเมื่อก่อนอะไรอย่างเงี้ยครับก็ดีแล้วนี่แล้วของผมมีอะไรที่จะต้องปฏิบัติเพิ่มเติมหรือต้องแก้ไขอย่างไรครับอย่าให้ใ จ, ใใจฟูนะอยาก ใ, ใ, ให้ใจมันฟูงสร้างถ้าให้ใจมันสงบมั่งให้ใจมันอยู่กับเนื้อ ก, กับตัวไว้ตอนนี้จิตมีแรงไหมสังเกตไหม ตอนนี้มีบ้างครับและจิตมีแรงนะแต่แรงออกนอกแรงออกนอกอืแรงเนี้ยใจมันจะสั้นๆออกไปครับ <นะ S 2> ผมแล้วเราคอยรู้สึกตัวเรื่อยๆที่ฝึกอยู่ดีนะมันไม่ได้ไปตรึงไปเพ่งอะไรที่จะจงใจให้รู้สึกตัวตลอดเวลาครับแา่ที่เรารู้บ้างเผลอบ้างรู้บ้างเผลอบ้างะมันจะได้เห็นว่าจิตนี้มันเป็นอนัตตา เห็นไหมเพราะมันจะรู้แล้วมันก็รู้เราไม่ได้เจตนาให้รู้มันก็รู้ใช่ครับเจตนาจะรู้ไปเรื่อยๆมันก็อยู่ไม่ได้ไม่อยู่ในอำนาจเนี่ยเฝ้าเห็นความเป็นอนัตตาของจิตไปเรื่อยแล้วครั้งนี้แล้วที่ผมมองว่าเวลาที่แบบใจมันดีใจหรือเสียใจจนแบบเหมือนผมปิ๊งขึ้นมาเองใ้เไหมอ่าใช่ครับเหมือนเหมือนอ่าเหมือนว่าผมปิ๊งขึ้นมาเออมันมันเหมือนที่หลวงพ่อเคยพูดนะว่าเออมันเหมือนเด็กว่าอื ก็เด็กมันจะดีใจเราไปทำอะไรมันไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยทำอะไรไม่ได้หรอกมันเหมือนเราเลี้ยงลูกแต่ว่าการที่ผมเป็นมออย่างนั้นเนี่ยแล้วหลวงพ่อบอกว่าเอ้ยเราไม่ได้ปฏิบัติเพื่ออเความตั้งมั่นตอนนั้นนี่คือผมไปติดในสภาวะอะไรหรือเปล่าครับใจติดสภาวะว่าไปประของไว้ไอประคองไว้ใช่ไหมครับตอนนี้ไม่เป็นหรอกครับขอบคุณครับส่งมาเดี๋ยวจะไปสเดี๋ยวจะไปปฏิบัติมันลงมาใหม่สามเดือนดีครับครับจะส่งกลับบ้านครบแล้วนะครับ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 ยะถาวาริวาฮาปุราปริปุเรนตีสาคะรังเอวาเมวายโตจินนางเปตานางอุปกระปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวาสมิชตุสัเพปูเรนตูสังกปาจันโตปนรโสยะถามณีโชติรโสยะถาสัพพีติโยวิวัตชันตูสัพโรโควินาสตูมาเตภวัตวันตรายโยสุขีตีคาโยโกภวะ ปิวาทนาศีลิสนิตจังุทธาปจายโนจตาโรโอธรรมาวทันเตียยุวันโนสุขขังพระลังภาวนานะอย่าให้เสียเวลาเปล่า